Book 94. 2 94 4 95คำสันธาน1 k o n j u n k t i o n e r 1รอจนฝนหยุดก่อนวนต์ทิลเรย์น์น์หลล่อับรอจนผมเสร็จก่อน รอจนกว่าเขาจะกลับมารอจนกว่าเขาจะกลับมารอจนกว่าเบมจะมรอจนกว่าผจะมรอจนกว่าะอนวเัจนวะมรอจบมรอจนกว่ามรอจนกว่าเับาจนจะัจเะลบอจ่เบอจน่าเมรอจนกว่าเขัานวจะรเขลั่มรอจนกว่าเัานเขจะวเล่นเนเขว Jeg venter til lyset skifter til grønt. Kunne d a gå på ferie? Hvor n o r r e j s e r du på f e r i e Gården er d l e v e t m e g e r v a r i h v o r d a l er det e d dig? e r har været meget varm. Hvordan er d u r m n d dig? Jeg a r været e g e t v a r l h v o d e f er s o m m e r f e r i e n b e g y n d e r ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มเรียบเรียงท่าเรือก่อนวันหนาวจะเริเ่มล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะว่าสติ น, นะมือก่อนที่คุณจะ i ั่งที่โต๊ะปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก ล, ล็ อ, อกหน้าต่างก่อนที่คุณออกไปข้างนอคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ หลังเลิกเรียนหรือเอฟเ r อรนรวิสิงนครับหลังเลิกเรียนยาเอฟอนวิสิ่ง r ิอบหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปเอฟตฮว่เม็ดอีลค์คุณจะฮันอีกเกออาไบเม หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา After work, หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวยหลังจากที่เขาไปประเทศอเมริกา e ขาได้ร่